ผู้ช่วยศาสต ร, ราจารย์ดตตรกุลกนิตฐทองเงาสร้างสารรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสวัสดีค่ะเป็นผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Innovation f Life ค่ะพบกับดิฉันกุณกนิษฐ์ทองเงานะคะที่1 M 8 9 5สิบเกาวัสนสระจเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโยีราชมงคลธัญบุรีคลื่นเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตค่ะ วันนี้อ n n o v a t i o n s ไลด์จะได้พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องาราวทางด้านการแพทย์กันบ้างนะคะซึ่งทางศิริราชพยาบาลได้พบยารักษามะเร็งเต้านมและอาจใช้ได้ผลดีกับมะเร็งท่อน้ำดีซึ่งผลงานนี้เราจะพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดรสิบวนนท์จิปรวัฒนธนไทยค่ะซึ่งท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาเพสัชวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมิดล ซึ่งก็ต้องบอกว่าในเรื่องของการพัฒนาการศึกษาและค้นคว้าหายารักษาโรคมะเร็งนี้ต้องมีการเรียกว่าในแพทย์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศนะคะก็ได้มีการคิดค้นในเรื่องของการหายามารักษาเป็นเวลา ย, ยาวนานอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังมันสามารถที่จะเรียกว่ามียารักษาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ ซี่ในส่วนของมะเร็งท่อน้าดีก็ต้องบอกว่าเป็นปัญหาสุขภาพสำหรับต้องบอกว่าเป็นปัญหาสุขภาพสาคัญของคนไทยทีเดียวเพราะจากสถิติและจากข้อมูลที่ศึกษามานะคะก็พบว่ามีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้ประมาณปีละหกพันถึงหนึ่งหมื่นคนเป็นตัวเลขที่สูงมากและก็ต้องบอกว่าเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดในโลกก็ว่าได้ค่ะ และปัจจุบันก็อย่างที่เรียนเป็นข้างต้นว่าก็ยังไม่มียาใดๆนะคะให้ผมที่น่าพอใจการรักษาที่พบก็จะเป็นเพียงการผ่าตัดและก็สามารถทำได้เฉพาะในผู้ป่วยจำนวนไม่กี่รายเท่านั้นก็ได้มีการคิดค้นค้นคว้าหายาที่จะใช้ได้ผลดีกับมะเร็งชนิดนี้ ซึ่งล่าสุดค่ะอย่างที่บอกว่ามีทีมวิจัยาจากคณะแพทศาสตร์สิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลได้ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและทีมผู้เชี่ยวชาญจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยคุมาโมตโตะประเทศญี่ปุ่น น, น, นะคะได้ค้นพบแล้วก็ปรับดันแนวทางการรักษาใหม่สําหรับมมเดงร้ายนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรเราจะพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดรสิรวนนท์สิระวัฒนาไทยซึ่งเราจะพูดคุยรายละเอียดกันในช่วงหน้าช่วงนี้พสักครู่เดียวค่ะ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 หรือที่ www.lotus.rmutt.ac.th รายการ Innovation for Life ที่เรียนข้างต้นว่า innovation for life ในวันนี้เราจะพูดคุยการเกี่ยวกับเรื่องราวของการค้นพบยามะเร็งเต้านมนะคะซึ่งก็อาจจะสามารถใช้ได้ดีกับมะเร็งท่อน้ดีซึ่งเป็นผลงานการค้นพบอนะคะของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลวันนี้เราจะพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดรศิวนนท์จิรวัชโนทยซึ่งท่านเป็นอาจารย์ประจําภาควิชาเภสัชวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลสวัสดีค่ะอาจารย์คะ สวัสดีครับค่ะก่อนอื่นที่เราจะพูดคุยรายละเอียดกันเกี่ยวกับการค้นพบเรียกว่าเป็นเป็นยานะคะที่สามารถที่จะใช้ได้ดีกับมะเร็งท่อน้ำดีอยากจะรบกวนเรียนถามอาจารย์ก่อนนะคะว่าในเรื่องของโรคมะเร็งเมอที่ทราบว่าสถิติในบ้านเราเนี่ยโอ้พบผู้ป่วยที่เสียชีวิต ปีละประมาณ 6,000 ถึง 10,000 คนนะคะจากสถิติ ท, ที่ที่คนพบนะคะอยากให้อาจารย์เล่าถึงวิกฤตของการเรียกว่ากา ร, รการรักษาเกี่ยวกับโรคมะเร็งนะคะในในหลายหลาย<ๆ>หลา ย, ลายส่วนนะคะค่ะครับครับเออขอบคุณมากเลยครับให้ที่ให้โอกาสผมมาเล่าเรื่องนี้ฟังจริงมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้วก็ะมีการพูดคุยกันน้อยอะนะครับ ทีนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเราจะจะย้ําว่ามีประเด็นอะไรที่สําคัญที่เราควรจะฟังเรื่องอ่าสมาชิดเรื่องนี้นะครับอันดับหนึ่งก็คือเรื่อง<ฆ>ของอ่าประเทศไทยนะครับก็เราก็มีอายุยืนขึ้นนะฮะจริงๆแล้วเราจะเป็นสังคมของผู้สูงอายุในไม่ช้าอย่างที่ทุกคนทราบกันแล้วก็ทุกสื่อได้พูดถึงนะครับที<ฆ> น, นี้อ่าอ่าโรคง่ายๆห ล, ะละยายๆอย่างเนี่ยวิทยาศารทางการแพทย์เนี่ยมันก็ไปได้ดี เราก็ตายน้อยลงด้วยโรคหวัวใจโรคความดันโรคเบาหวานอะพวกนี้เราควบคุมได้ดีมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็หวังว่าวันหนึ่งพวกอุบัติเหตุเรื่องของอุบัติเหตุทั้งสองถนนเรื่องนู้น เ, เรื่องนี้ก็จะน้อยลงนะครับอแต่ว่าตอนนี้นะฮะมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของคนไทยแล้วนะครับเป็นอันดับหนึ่งะฮะแล้วก็ในในอนาคตถ้ามีคนสูขอายุมากขึ้นเนี่ยนะครับโรคนี้ก็จะเห็นชัดขึ้นนะครับว่าว่าทุกคนมันก็จะกลายเป็นเรื่องใกลตัวมากขึ้นทุกคนนะครับ Uh, เพราะฉะนั้นเนี่ย mm hmm. การรักษามะเร็งใดๆเนี่ยสําหรับสังคมไทยเนี่ยควรจะต้องเป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วนตั้งแต่ประชาชนรัฐบาลหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรจะต้องคิดระวังแผนล่วงหน้านะครับผมแล้วก็วันนี้ที่เราจะมาคุยกันนะครับเราจะพูดถึงเรื่องของอมะเร็งที่เฉพาะตะวันไทยอันหนึงก็คือเรื่องของมะเร็งเท่าน้ําดีนะครับหมายความว่าไงที่พูดว่าเฉพาะตะวันไทยก็คือว่า อะไรอย่างเนี้ยจากใครเตียนะฮะไม่ใช่อย่างที่ผมอยากให้เป็นแต่ว่ามันมันเป็นอย่างจริงจริงความจริงก็คือว่าถ้าสิบคนเอในในโลกเนี้ยนะถ้าเกิดว่ามีในในทั่วโลกนะฮะถ้าถ้าถ้าสิบคนแล้วมีคนป่วยโรคนี้อยู่สิบคนเนี่ยแปดคนจะอยู่ที่เมืองไทยแปสิบเปอร์ซ็นของคนที่เป็น ม, มะเร็งนอกรัฐดีทั่วโลกอยู่ที่เมืองไทยนะครับงั้นอันนี้ก็เรียกว่าเป็นปัญหาที่สําคัญสำหรับอคนบ้านเรานะครับแล้วก็ ออในกรณีนี้ก็ไม่ใช่แต่มะเร็งท่ามดอย่างเดียวมีอย่างอื่นที่ททอในความรุนแรง้็แตกต่างกันไปนะครับว่าอันนี้เชี่เห็นว่าเอปัญหาของมะเร็งนะครับก็เป็นปัญหาหนึ่งที่เราต้องซีเรียสเราต้องคิดกับมันแล้วไม่ใช่ว่าเราจะเรียนแบบหรือว่าใช้วิธีรักษาที่ต่างประเทศเขามีสําหรับประชากรเราเราไปเปิดตาราดูอาจจะพบ ว, ว่าไม่มีอ่วิธีอะไรเลยในการรักษาที่ดีใ น, ในตอนนี้ อันก็ก็มันเป็นเป็นเป็นปัญหาที่เราจะต้องเอมาแก้ปัญหากันเองโดยใช้อ่าปัญหาของคนไทยที่มันสาคัญสําหรับเราเพื่อนบ้านเราพ่อแม่เราหรือคนที่อยู่ที่เรารู้จักเนะี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่แรกๆที่เราควรจะต้องรีบทํานะครับสําหรับเร็ิงทอนดีเมื่อกี้ที่ท่านเรียนว่ามีอผู้เสียชีวิตประมาณหนึ่งคนต่อปีเนี้ยอันนี้สุดยอดนะครับจริงๆแล้วเอ ประเทศไทยเนี่ยมีผู้เสียชีวิตจากโรคเนี้ยอก็อยู่ในระดับ 8,000 6,000 8,000 หรือหมื่นหนึ่งล่าสุดนี่เหมือนกับตัวเลขก็จะขึ้นถึงหมื่นกว่าในทแล้วนะครับเอ๊ะเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงมากนะครับแล้วก็ตรงกันข้ามกับวิธีการรักษาเองานวิจัยกับเพื่อนของเราที่ขอนแก่นเนี่ยะครับวิรัยคณะแพทย์ขอนแก่นเนี่ยนะครับวิลัยขอนแก่นเนี่ยก็มีตัวเลขที่เห็นง่ายๆว่าวิธีการรักษาของโรคเนี้ย มันไม่ค่อยได้ผลเลยในในข้อมูลที่ในรายงานที่เพื่อนของเราเคยตีพิมพ์นะฮะ mm hmm. บอกว่าคนไข้ร้อยหกสิบสามคนมาที่โรงพยาบาล น, นะครับร้อยี่สิ้อยี่สิบคนทำอะไรไม่ได้แนละ้วส่งกลับบ้านนะครับ mm hmm. นี่ก็คือหมาความว่าคนส่วนใหญ่จะจะไม่มีหวังอะไรนะครับแล้วก็ขนาดนี้วิธีที่ดีสุดที่รักษาก็คือถ้ามีโอกาสตาัตัดได้ให้ริบผ่าตัด ว่าร้อยหกสามคนเนี่ยผ่าตัดได้แค่สิบคนเท่านั้นที่เข้าเกียงทําได้ครับแล้วผ่าตัดแล้วดูเหมือนจะประสบความสำเร็จมัน <c oughs> มีแค่ห <c oughs> ้าคนเท่านั้นนะนั่นหมายความว่าคนไข้คมใหญ่เนี่ยแทบไม่มีโอกาสที่จะต่อสู้กับโรคนี้เลยครับมันจะมีห้าคนในร้อยสามคนมประมาณแปดเปอร์เซ็นเนี่ยที่มีโอกาสาลุ้นอยู่บ้างครับแต่ว่า อ, า อ, า อ, าอา้อยกว่าแปดเปอร์เซ็นต์นะครับ <c oughs> ก็จะก็ก็กจะได้รับการผ่าตัดดังนั้นเนี่ยนะจะเห็นว่า ที่เหลือเราทําไงกับเขาก็คงจะต้องเป็นการรักษาในสายที่ว่าเราสามารถใช้ยาใดๆยาต้านมะเร็งใดๆที่จะสู้เขาสู้กับโรคนี้ได้บ้างนะครับทีนี้กลุ่มของคนที่ได้ยาเนี่ยเราในในใ น, ในทางการแพทย์ปัจจุ บ, บันเนี่ยนะครับก็เป็นการใช้ยาที่มาจากการแค้เคียงกับพวกยาโลูกสาวมะเร็งสาวหรือมะเร็งตบับอ่อนนะฮะแล้วก็เอามาดัดแปลงใช้กับโรคมะเร็งท้อน้ดีนะครับความสาเบร็จก็น้อยฮะ อก็ประมาณย icated, filters, ations, nice. i̇şte ี <ileri> ่สิบถึงสมสิบเอร์เซ็นเท่านั้นที่ได้ประโยชน์หมายความว่าถ้าคนไข้เนี่ยมาสักคนเนี่ยประมาณสามคนจะได้ประโยชน์จากยาอีกเจ็ดคนได้ยาเหมือนกันจะได้ไซเฟ็กนู่นนี้เออผมล่วงมีอาการเออไซเฟ็กต่างๆคนแค่เพียงได้ได้เต็มเต็มแต่ประโยชน์เช่นมะเร็งหยุดโตมะเร็งโตช้าลงเนี่ยมีแค่สามคนที่ได้ประโยชน์เท่านั้นเั่นจะเห็นว่ามาเออถ้าพูดถึงเรื่องนี้แล้วเนี่ยความจาเป็นนะฮะถ้าผมคิดว่า ผู้ที่ฟังอยู่คงจะพอถ้าถ้ า, ถาเป็นข้อหนึ่มีวิธีอะไรที่รักษาได้ดีกว่านี้ข้อสองถ้าถ้าเป็นยาเป็ยาอะไรที่เอมีความรู้ดีแล้วแล้วเอามาดัดแปลงใช้ได้ไหมเพื่อให้คนใข้เข้าถึงดีที่สุดเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องหาวิจัยยาใหม่ขั้นตอแรกนะครับนี่ก็คือหัวใจสำคัญ ข, ของของที่มาของงานแบบนี้ครับผมค่ะก็คือเท่าที่ฟังก็คือว่าอย่างที่เราทราบกันก็คือผู้ป่วยที่เป็น มะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยโอกาสที่จะรักษาหายค่อนข้างที่จะนี่ว่าหายจากการผ่าตัดเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยนะคะเท่าที่<า>ฟัง<า>ที่อาจารย์บอกอ<า>ทีนี้ขออนุญาตถามเป็นความรู้อะค่ะอย่างที่อย่างที่เราทราบกันว่าถ้าเป็นพวกมะเรง็งมะเร็งต้นนมมะเร็งนี้ยเราก็รู้ว่าส่วนใหญ่จะพบในในผู้หญิงแล้วในมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยค่ะมันมันออกจะพบในใน เพศหญิงเพศชายหรือว่าแบบว่าอายุประมาณเท่าไห<บ>ร่อะไรนนี้ค่ะค่ะประเทศไหนค่ะค่ะรับเอ่อคนคนที่เป็นมะเร็งข้อมดีนะครับเอ่อในประจุในในประเทศไทยนะครับมีลักษณะค่อนข้างเฉพาะมากเลยก็คือเอ่อมกักจะเป็นผู้ป่วยอายุ 40, สี่สิบขึ้นไปสี 50, ่สิบห้าถึงห้าสิบในช่วงเนี้จะมากที่สุดนะครับแล้วก็มะเร็งข้อมดีเนี่ยเราเราในประเทศไทยนะครับเราพอจะรู้ว่ามันมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องของผู้ป่วยที่ เคยติดพะยะาธใบไม้ในตับนะครับใน mm hmm. ช่วงหนึ่งของชีวิตหรือมีพะยะาธิใบไม้ในตับในตัวนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็จะพัฒนาขึ้นมาเป็นมะเร็งขั้นดีได้นะครับก็เพราะฉนั้นมันใช้เวลาพัฒนานานนะเพราะฉะนั้นบางทีเห็นว่าเวลาคุณให้จะเป็นมะเร็งเนี่ยก็อายุประมาณสี่สิบห้าสิบละรานี้นะครับ mm hmm. แล้วก็ถ้าที่ทราบตามวัฒนธรรมหรือว่าอ่านคกินอะไรเนี่ย ก็มันโชคร้ายว่ามันจะเกิดที่ที่ภาคอีสานเนี่ยซะเยอะนะครับภาคอีสานและภักเหนือเยอะนะครับแล้วภาคกลางก็น้อยหน่อยนะครับอองค์ประกอบก็อย่างที่พูดนะครับก็คือต้องมีเรื่องของว่าการทำกินหรืออาหารบางอย่างที่เฉพาะกับพื้นถิ่นครับเอที่อาจจะมีพยาธิใบไม้ในสัตว์อยู่ในอาหารนั้นได้นะครับแล้วก็เรื่องของภูมิอากาศนะครับฝนตกแหล่งน้ํานู่นนี้มีปลาชนิดที่พยาธิใบไม้ในสัต์ได้นะครับ อ่แล้วก็สุดท้ายอาจจะมีพฤิกรรมร่วมบางอย่างด้วยเช่นอนที่มีอาหารบางอย่างที่กินเข้าไปร่วมกับการมีเพลี้ยเปนบรรยากาศก็ราเขาเห็นมากขึ้นเพราะงั้อนอรวมๆแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยมันก็เลยมีกลุ่มคนที่เสี่ยงสูงมักจะอยู่ที่ภาคอีสานแล้วก็อายุประมาณ 40-50 ต้น <50 S 2> นี่นคะครับ 40-50 <อ>ค่ะก<อ><อ>็คือกลุ่มที่ส่งเสี่ยงคือรับประทานอาหารที่ไม่ได้ปรุงสุกถูกต้องนะคะท่ะ ก็จเป็นฟ้าน้ำเกิดนิดหนึ่งที่มีเกิดเป็นกลุ่มของฟ้าน้ำเกิดที่มีเกิแล้วเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของพยาธิไม้ในสนะครับแล้วก็ไม่ได้ปรุงสุกครับอือค่ะวิธีป้องกันง่ายๆในปัจจุบันก็ต้องรับประทานอาหารที่ที่ปรุงสุกเท่านั้นเนาะน่าจะจะเป็นทางแบบในเบื้องต้นในเบื้องต้นใช่ไหมคะครับผมผมคิดว่าก็เป็นข่าวดีครับเพราะว่าก็ก็มีเอ่อเอ่อนักวิจัย แล้ก็หน่วยงานของรัฐหลายๆที่ก็พยายามที่จะรณรงค์นะครับให้มีการเปลี่ยนพฤติกรรมรการบวิโภคที่เปลี่ยนไปนะครับแต่ของแบบนี้ใช้เวลาครับผมแล้วก็<ม> อ, อถ้าสมมุติในอนาคตก็จะไม่มีเพีย ร, รมม์เบนแมตต์ตับในพู้ในคนใก้ไทยแล้วอนะฮะก็จะเป็นข่าวดีมากๆแต่ขณะเดียวกัน<ม>คนที่เป็นเป็นมะเร็งตอนเนี้นะครับหมายความว่าเขามีพฤติกรรมเนี่ยมาเมื่อสามสิสี่สิบปีมาแล้วถูกไหมฮะ สามสิบสิบครับผเพราะฉะนั้นเมื่อตอนเขาเป็นเด็กเขาอาจะกินแล้วก็ช่วงนี้เราหวังว่าแน่นะคตอีสามสิบสี่สิบเองน้าเราก็จะไม่มีคนที่มีแย่เลยไม้ในกาบอีกแล้วมะเร็งนี้ก็จะน้อยลงแต่ขนาดเดียวกันในช่วงเนี้ยเราต้องหาวิธีเรียนการ์มาให้ให้ให้ให้ความหวังกับคนไข้ให้มากที่สุดนะครับแต่ขนาดเดียวกันนะเอมะเร็งท้อมดีก็อาจจะเกิดจากสาเหตุอื่นได้เช่นกันนะครับเช่น เเออการอักเสนะครับหรือการอักเสบในท่อลำดีกับลักษณะอื่เช่ น, นมีการอุดตันได้เหมือนกันอันนี้เป็นสิ่งที่ต่างประเทศเขาเป็นกันเป็สนสาเหตุที่คนต่างประเทศเป็นในท่อลำดีซึ่งก็น่าแปลกใจครับเพราะว่าก็มีเพิ่มขึ้นนะฮะต่างประเทศที่ยุโรปก็เพิ่มขึ้นนะครับการรับสารเคมีสารพิษบางอย่างก็เพิ่มขึ้นแต่ว่าถ้าเป็นบ้านเราเราก็จะพูดถึงเรื่องของเรื่องใบไม้เป็นหลักกระบอกค่ะ โอเคได้รับความรู้แล้วก็รู้วิธีการป้องก<แ>ันแบบนีได้ทราบถึงสาเหตุด้วยนะคะก็อย่างก็เห็นด้วย<แ>อย่างใจว่าหวังว่าในอนาคตก็คือการบ่มเพาะการสร้างสุขลักษณะตั้งแต่ในเด็กๆในปัจจุบั น, นอนาคตก็มะเร็งท่อ น, น้าดีก็จะอาดสหายไปอาจารย์ขาแล้วทีนี้<แ>ขออนุ ญ, ญาตถามมานะคะว่าที่ผ่านมาอย่างอย่างอย่างที่เราคุยกันก็คือคนที่จะเป็นโรคมะเร็งท่อ น, น้าดีเนี่ยเขาต้องฝังสมวิธีการรับประทานเนี่ยมาเป็นสามสิบ สี่สิบปีถึงจ ะ, ะป่วยเป็นโรคนี้แล้วก็มีปริมาณที่ค่อนข้างที่จะสูง ข, ขึ้นเรื่อยๆแล้ววิธีการรักษาที่ผ่านมาส่วนใหญ่ใช้วิธีการอย่างไรจนกระทั่งมาพบเรีว่าตัวยาที่สามารถที่จะใช้ใดีในเรื่องของการรักษาเนี้ยค่ะอยากให้อาจารย่าใหฟังค่ะครับ อ, อ, อย่างที่เรียนไปนะครับว่าการรักษาที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับทั้งทั้งที่ประเทศไทยและต่างประเทศเนี่ยนะไม่มีการรักษาที่ได้ผลสำหรับโรคนี้ ก็คือเออโอกาสที่อาจจะหายขาดได้มีอย่างเดียวคือผัาตัดซึ่งก็ที่เรียนว่ามีคนน้อยมากที่จะโชคดีนะครับรักการตัดตัดได้ที่เหลือก็จะเรียกว่าทําอะไรไม่ได้ใช่ไหมทีนี้เเอที่เเอออภาพเภสัชวิทยาที่สีรอลาดนะครับซึ่งซึ่งผมเป็นอาจารย์ประจําอยู่แล้วก็เราเรามีหน่วยหนึ่งเป็นเป็นศูนย์ความเป็นเลิศเราเรียกว่าศูนย์เภสัชวิทยาเชิงระบบนะครับเ อ, อันนี้เราเราศึกษาเรื่องของโรค ความสัมพันธ์ระหว่างโรคและยาเป็นหลักนะครับแล้วก็เราเราโดยเฉพาะในปัจจุบันเนี้ยโรคที่การรักษายังไม่ดีเลยไม่ได้มาตรฐานเลยก็คือมะเร็งนะฮะเพนั้นเรางานของเราส่วนใหญ่ก็จะเน้นเรื่องของมะเร็งแล้วก็ยาที่จะต้านมะเร็งนะครับในลักษณะต่างๆนะครับเ อ, อ่อย่างโครงการเนี้ยนะครับเป็นเป็นโครงการที่เราเริ่มมาสักประมาณะะอา่าจริงๆแล้วหกปีถึงเกบเจ็ดปีนะครับเพก็ทําทํางานวิจัยมานานมากแล้วก็ ก็เมีหลายทีมมาช่วยนะครับเเออกว่าจะได้ผลนนเรียกมาอไอเดียก็คือว่าเราลองถามที่ว่ายามาเร็งปัฏิบัติเนี่ยซึ่งการพัฒนายาในทั้งทั่วโลกเนี่ยมันไปอย่างรวดเร็วนะครับมียามใหม่ๆมากมายที่ไม่ใช่เคโมนะครับเป็นยาเขาเรียกว่าเป็นยามุ่งเป้าเดี๋ยวนี้นะเป็น targeting t h e r a p ยามุ่งเป้านะยาพวกนี้ก็ เ, เรียกว่าดีขึ้นกว่เดิมมากครับเพราะว่าเหตุผลก็คือว่า มันไม่ใช่เคโมีเคโมีนี่ถ้าพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านก็คือก็เป็นรักษณะยาพิษที่เป็นพิษมากมากกว่ากับเชื้อมะเร็งแต่ว่าเป็นพิษน้อยๆกับเชื้อโปรตีนอะไรก็ตามมันก็เป็นยาพิษนะครับทีนี้พวกยามุ่งเป้าเนี่ยมันจะมุ่งไปที่มะเร็งอย่างเดียวเลยนะฮะแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยในช่วงอ่าสิบห้าปีให้หลังเนี่ยมีมากเลยนะฮะทั่วโลกแล้วมีมากถึงเจ็ดถึงแปร้อยชนิดนะฮะยาพวกนี้เน้นเอ่อเอ่อเอ่อความท้าทายในปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่ของการหายาใหม่หรือกัน สร้างยาขึ้นมาใหม่แต่ความท้าทายของปัจจุบ uh ัน huh. เนี่ยนะครับโดยเฉพาะว่าก็คือถ้ายังไงเราจะจับคู่ยาที่มีอยู่เนี่ยสี่ร้อยกว่าตัวเนี่ยให้เข้ากับสถานการณ์ uh huh. ที่บอกกับบ้านเรา แ, แตอนนอนน่อันนี้คือคือ uh huh. คือคือความความสําเร็จของขอ ง, ของสิ่งที่งานวิจัยชิมเนียนะครับว่าเราบอกว่าเราไม่ต้องไปสร้างยาใหม่แล้วมันมีเยอะอยู่แล้วทํายังไง uh huh. ที่จะย่นระยะเวลาจับคู่คนไข้ของไทยที่เป็มะเร็งขั้นดีเนี่ยให้เข้ากับ ยาที่มีในช่องว่าเราก็เราก็ทําการศึกษาธรรมชาติของมแมลงแบบเนี้นะครับเราเราจะรู้เราจะรู้ได้ไงฮะเราต้องดูนิสัยใจคอมันดูลักษณะของมันทางทางระดับโมเลกุลของมันนะครับเราก็เราเราศึกษาเรื่องของโมเลกุลของแมลงเนี่ยมานานนะครับแ a บของห้อง lab ของเราเนี่ยทำเรื่องนี้เป็นเฉพาะเป็นเป็นความเชี่ยวชาญของ l ล b เราเราเห็นเราเห็นในในทางภาษาวิทยาเขาเรียกว่า signature จะเป็นลักษณะบางอย่างที่ชัดเจนว่ามะเร็งชนิดนี้อาจจะตอบสนองกับยากลุ่มที่เรียกว่า BDKF Inhibitor นะครับเป็นยากลุ่มหนึ่งนะครับแล้วแล้วเราก็ทดลองทดลองทดลองทดลอ ง, ลองเราทดลองจนแน่ใจฮะตั้งแต่ทดลองเลี้ยงในเตอร์มะเร็งในกางนะครับแล้วก็ใช้ยากลุ่มนี้เราไปเลี้ยงมันให้มันเป็นก้อนทําให้เหมือนมะเร็งในกางนะครับเป็นสัตว์ไม่ตเดเองนะฮะแล้วเราก็ทดลองก็ได้ผลดี นะครับสุดท้ายเนี่ยเราเราใช้โมเดลอันนึงซึ่งเป็นเหมือ<ฆ>นคนไข้ามากนะฮะแต่ไม่ใช่คนนะครับจะเป็นหนูพิเศษทีนิดหนึ่งนะครับแล้วเราชิ้นจากคนไข้เี่ยนะครับผ่าตัดออกมาปึ๊บเราชิ้นเนื้อมะเร็งสดๆของคนไข้ในปากวัหนูตัวนี้ได้หนูแล้วเราก็เอาอยาที่ว่าเนี่ยที่ที่พูดถึงว่าไม่ใช่ยาปิดจากเจเนอรี่ยนะฮะอ่าทดสอบไปมันก็ได้ผลดีมากนะครับตามที่เราตามที่เราเราเราทํานายไว้ทุกอย่าง ะะเพราะฉะนั้นออความสําคัญก็คือข้อหนึ่งคือเราเจ อ, อยาที่ได้ผลกับคนไข้มะเร็งทอมบีส่วนใหญ่เพราะว่าเราใช้โมเดลซึ่งแทนคนไข้ทุกประเภท น, นะนะเท่าที่เราหาได้เพราะฉนั้น อ, อ, อันนี้มันก็จะให้ประโยชน์แค่เพียงที่เดิมทีที่เป็นยาเป็นเคโมโีแบบพวกยาพิษเนี่ยแต่ว่าได้ประโยชน์จากคนสองหรือสามคนในสิบคนเท่านั้นใช่ไหมตอนนี้เราขยายแล้วว่าเออถ้าใช้ยาเนี้ยนะจะได้กับประโยชน์กับคนส่วนใหญ่อันนี้คือความสําคัญข้อที่หนึ่ง แส่วนที่สองก็คือว่ายาตัวนี้มันบังเอิญมีความปลอดภัยค่อนข้างดีแล้วเขาก็ใช้กันมาแล้วสักพักหนึงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปนั่งศึกษาว่าเออใช้แล้วมันจะเป็นพิษหรือไม่อย่างไรใช่ไหมครับเพราะขั้นเนี้ยมันผ่านมาแล้วแล้วมันเป็นยาที่มีใช้อยู่แล้วในท้องตลาดกับโรคมะเร็งเต้ลนมด้วยนะครับเพรานเนี้ยเราเราเห็นจากตัวอย่างแล้วว่ายาเนี้ยถูกใช้กับคนไข้มะเร็งเต้ลนมและได้ผลดีมากในมะเร็งเต้ลนม แล้วก็มีความสะดวกมีความคมีความปลอดภัยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับยาเคโมโซึ่งคนไข้มะเร็งเท่าน้ําบีจะต้องเผชิญอยู่เดิมนะครับยา น, นี้ก็เรียกว่ามีความสะดวกอีกอย่างหนึ่งนะซึ่งซึ่งคิดว่าผมคิดว่าถ้าได้ใช้จริงสะดีมากเลยครับเพราะว่าเป็นยากินกินวันละครั้งกินอยู่ที่บ้านก็ได้ใช่ไหมคระบคือเวลาเราคิดถึงเราคิดถึงมะเร็งเนี่ยต้องมาให้ เคมโอทางกรแสเลื อ, อ, เอดเรวต้องค้างดูอาการนู่นนี่ใช่ไหมแต่ว่าในรักษาเนี้ยมันมันก็จะทําให้ความหน้ากลัวของมะเร็งลดลงมากใช่ไหมมะเร็งก็ส่วนหนึ่งเรื่องของความหน้ากลัวการรักษาก็อีกอส่วนหนึงถูกไ้ยฮะเพราะฉะนั้นสามอย่างเนี้ยนะครับเป็นสิ่งที่เป็นเป็นจุดเด่นของานายวิจัยอันเนี้ยอันที่หนึ่งะฮะก็คือขยายยาให้กับคนไข้จํานวนมากซึ้นน่าจะได้ผลดีกว่าเดิมเยอะข้อสองก็คือยาค่อนข้างปลอดภัย นะครับแล<ช>้วก็<ช>ข้อสามเนี่ยเรื่องของประสิทธิภาพของมันไม่ใช้กับโรคอื่นมันมีอยู่แล้วนะครับประมาณ น, นี้ครับโอเคเข้าใจค่ะแต่ขออนุญาตในช่วงหน้าจะสอบถามเพิ่มเติมนะคะว่านะปัจจุบันวิธีการอใช้วิธีการรักษาโดยอ่ายาที่อาจารย์ได้นํามาเรียกว่าค้นพบยาที่มีอยู่แล้วเนี่ยเรียกว่าจับคู่ยาให้สามารถอ่ารักษาได้ไ ด, ได้ได้เพิ่มขึ้นกับโรคอื่น ทถึงว่ามาแดงในในชิตที่แตกต่างกันเนี่ยแล้วได้ทดลองใช้แล้วเป็นอย่างไรบ้างผลออกมาเป็นอย่างไรแล้วก็มีกระบวนการในการรักษาแบบอย่างไรบ้างนะคะอยากให้อาจารย์เล่าในช่วงหน้ารวมถึงทีมงานมีอ่าส่วนร่วมกับหน่วยงานไหนบ้างนะคะจะขออนุญาตสอบถามในช่วงหน้าช่วยพักสักครู่เดียวกันค่ะค่ับได้ครับ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 ค่ะกับคำส่งยูนิชันพอไลน์และดิฉันยังคงอยู่กับรองศาสตราจารย์ดรสิรวนต์สินนสระวัชโนไทยค่ะเป็นท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้ในช่วงต้นเราก็ได้พูดคุยกันแล้วก็สรุปแบบเอาความเข้าใจตัวเองง่ายๆนะคะอาจจะพูดไม่ไม่ถูกต้องมากนักนะคะอาจารย์ว่าในส่วนข อ, ของการพัฒนาในส่วนของการค ค้นพบยาที่สามารถนํามารักษามะเร็งท่อน้ําดีเนี่ยในปัจจุบันที่อาจารย์ได้ค้นพบก็คืออจุดเด่นของงานนี้ก็คือสามารถที่จะเชื่อมโยงในเรื่องของการการใช้ยาหลายตัวที่มีอยู่แล้วนํามาใช้ให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็เรียกว่ามีมีมความปลอดภัยสูงใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็สามารถาารักษาได้ง่ายจากที่ฟังมุสตะครู่อาจารย์บอกว่าใช้ใช้ยาใช้รักษาน ก็ได้ไม่ต้องมาเรียกว่าให้ให้ให้ีโมในโรงพยาบาลอันอันนี้พวดแบบง่ายๆเอาแบบที่ท um ี really in ่อาจารย์เล่ามาครับคุณได้ได้ความเข้าใจของตัวเองอนะคะอาจารย์ทีนี้อยากจะขออนุญาตให้อาจารย์ขยายผลอีกสักน้อยในส่วนของการรักษาเมื่อชัู่ดอาจารย์บอกว่าได้ทดลองรักษากับสัตว์ทดลองณปัจจุบันได้นํานําวิธีการนี้มาใช้กับผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งท่อน้าดี อ่าแล้วหรือยังแล้วก็ผลเป็นอย่างไรบ้างอะคะ่ะอยากให้ชั้นเล่าให้ฟังค่ะครับครับก็เอ่อขอบคุณที่ถามครับเป็นคําถามที่ดีมากเลยครับก็เอ่อคือในมันในการเั้นายาหรือว่าการนํายามาใช้กับคนไข้ให้เป็นมาตรฐานะนะครับแล้วก็จุดหนึ่งก็จะอยู่ในเ้าเรียกว่าเป็นไกด์ไลน์สำหการรักษาคนไข้นะครับมันก็จะมีขั้นตอนอยู่นะครับเอ่อในในส่วนที่เรียกว่าทําก่อนก่อนถึงมนุษย์เนี่ยก่อนที่จะทำมนุษย์เราเรียกว่าทําครบแล้วนะครับครบหมดแล้ว อในการนําไปต่อยอดในการใช้นะครับก็คงจะต้องอนําไปทดลองกับคนไข้ในกลุ่มที่คัดเลือกมานะครับแล้วก็อให้มีการทดลองใช้ในคนไข้ซึ่งจะต้องอยู่ในมือของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านามะเร็งโดยเฉพาะนะครับเ อ, เอในส่วนในส่วนนี้นะครับเราเราคิดว่างานวิจัยเอที่เราเผยแพร่ออกไปเนี่ยตอนนี้ก็ค่อนข้างได้รับความสนใจวิธีการที่เราทํา พี่ใจนะครับเราจะทําให้สู่ผลกับสังคมเร็วที่สุดเนี่ยนะส่วนหนึ่งก็คือการการเผยแพร่ผลงานออกไปนะมันกับที่ผมมาเล่าให้ทุกท่านฟังในตอนนี้นะฮะขณเดียวกันในทา ง, ทางวิชาการรายละเอียดนะครับจะใช้ย า, ยายังไงนะครับแล้วก็ใช้ยากับใครกลุ่มไหนที่จะเข้าเกณฑ์นเนี่ยนี่เราได้เผยแพร่ในในข้อมูลทางเทคนิคพวกนี้นะฮะในในวารสารอ่าอ่าสามประเทศซึ่งซึ่งเรียกว่านักวิชาการทั่วโลกหรือนักแพทย์ทั่วโลกก็ได้อ่าน ก, กัน เตรงเนี้นะครับเราก็หวังว่าจะมีการนำมาทดลองใช้ในคนไข้ในกลุ่มที่จํากัดก่อนนะครับหรือว่าในกลุ่มเล็กๆก่อนก่อนที่จะไปใช้จัสประชาชนต่อไปนะครับสําหรับผมเองก็มีความหวังว่าตรงเนี้จะไม่ใช่แค่ว่าในประเทศไทยเท่านั้นที่จะมีคนเอาส่วนนี้ไปใช้ในกลุ่มคนไข้นะครับก็คงจะเป็นทั่วโลกนะครับซึ่งขนาดเขาไม่ชอบดีก็เริ่มมากขึ้นที่ตาประเทศเช่นกันนะครับ แล้วก็หลังจากนั้นเพื่อเมื่อผ่านจุดนี้ไปนะครับก็จะก็จะเป็นอถ้ามันเรียงได้ผลดีอยู่ก็จะได้รับการใช้เป็นมาตรฐานสําหรับผู้ควในข้อควาดีทั่วไปนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะฮะในในจุดนี้ก็เรายังต้องรอการทําวิจัยในคนนะครับเป็นขั้นต่อไปก่อนนะครับในในส่วนของพวกเรานะครับที่อยู่ในห้องแล็บแล้วก็เป็นคนต้อนเอาผลการทดลองนะครับที่ได้ผลดีเหล่านี้ สู่ทางทางทีมแพทย์นะนะเราเราก็ไม่ได้หยุดแค่นี้นะครับเรายังจับคู่ยาตัวอื่นด้วยที่คิดว่าอาจจะได้ผลจากเอ่อโรคไข้เมล็ดข้าวบีบางส่วนอ่าคือเวลาพูดถึงโรคมเร็งนะครับต้องทํความเข้าใจว่าสมมติว่าถ้าคนเป็นเร็งเหมือนกันเป็นเร็งเงต้าโนนะครับมีอยู่สิบคนหรือร้อยคนหรือมะเร็งทวบีสิบคนร้อยคนเนี่ยแต่และคนไม่เหมือนกันด้วยนะครับอะมันแต่แตและคนไม่เหมือนกันันขึ้นอยู่ครับ ทำพฤติกรรมของเขามันพูดถึง เ, เกิดจากสาเหตุของเขาใช่ไหมครับว่าเกิดจากอะไรนะครับรายละเอียดพวกนี้มันมีเยอะทําให้ยาชนิดหนึ่งหนเนี่ยจะไม่สามารถไป็ยาครอบจักรวาลได้ดังนั้นนะฮะอีกอีกหัวใจอันหนึ่งก็คือเราจะต้องสามารถแยกกลุ่มผลข้งางได้ด้วยด้วยเหมือนกันนะฮะการวิจัยของเราเอาในมุมของความเข้ามือเราก็แยกกลุ่มผลข้ว่าเราบอกเราเราเสนอวิธีที่จบอกคนล่วงหน้าว่า คนไข้ที่เป็นมะเร็งข้อมดีนะถ้าคนนี้มานะสรวจแบบนี้แบบนี้เขาควรจะใช้ยานี้เลยครับและขณะเดียวกันเราก็จะกลุ่มอื่นๆที่ยังไม่สามารถจะใช้ยานี้ได้เราก็กําลังอ่ทำการวิจัยเพื่อจะเสนอว่าอา่จะใช้ยาอะไรแล้ววิธีจะบอกอยังไงวคนนี้เขาจะได้ผลไหก่อนที่จะใช้ยาด้วยซ้ำนะครับเออีกมุมหนึ่งที่เราทําอยู่แบบทุกวันเลยนะะเราจะทุ่มเททาอยู่เพื่อรู้สึกว่ามะเร็งข้อมดีเนี่ย กับย า, มาเมรีนจริงๆแล้วทุกๆมเมรีนนะครับเวลาใช้ยามาเรีนเนี่ยจะเรื่องที่ทุกคนได้ยินไม่ต้องเป็นนักวิชากานก็จะรู้คือใช้ใช้ยาแล้วมันจะดีขึ้นใช้าล้วไม่ไปผลตอนแรกดีเลยต่อมาเขาไม่ไปผลหรือไม่ก็ใช้แล้วดีเลยกลับบ้านมาสักพางกลับมาใหม่อี้งนะอันนี้เป็นเรื่องที่เราได้ยินจาแล้วําเล่าแล้วมันจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่เอ่อเป็นเรื่องที่เราเรียกว่ามันมันมันเป็นการความเสียหายแล้วก็เป็นความเศร้าที่เกิดจากอะไรตรงเนี้ย เป็นรื่องที่พี่แย่ให้สุกันคือเราเราศึกษาไปด้วยนะครับว่าสมมุติว่าเมื่อมีการทดลองใช้ในคนได้ผลดีแล้วเมื่อดื้อยาอันเนี้ยเราจะทํำยังไงกับเขาต่อไปก็คือองค์ประกอบเฉพาะเข้าไปด้วยครับเช่นในมุมของตัวเอที่เราค้นพบตั้งเดิมที่อยู่ในเนื้อข่าวนะครับเราก็อรอทีมแพทย์นําเองใชไม่คนนะครับในมุมอื่นๆเช่น เมื่อใช้แล้วดื้อยังไรนะครับแล้วก็จะมีคนบางกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าเขียนยาตัวนี้ได้จะแค้ยาอะไรนี่ก็เป็นสิ่งที่เรากาลังทาอยู่ครับค่ะก็ต้องไปกํกำลังใจให้ทีมงานของอาจารย์ประสบความสำเร็จแล้นะคะเพราะว่าต้องบอกว่าอย่างที่อาจารย์บอกก็คือพอพูดถึงคำว่าโรคมะเร็งเนี่ยโมันมันมันกลัวค่ะอาจารย์เพราะว่านอกจากจะเจ็บคามครี กับผู้ป่วยแล้วความทุกข์นั้นน่ะก็ยังไปสู่คนรอบๆข้างของผู้ป่วยอีกด้วยคือเหมือนกับอืค่ะเราเรื่องยารักษาก็ยังไม่มีจริงๆว่าจะบอกว่ามียารักษาหายร้อยเปอร์เซนก็ยังไม่มีใครที่จะมามีนยันแบบนี้เลยอืมค่ะก็ก็ว่าจะเพิ่มค่านัวิจัยค่ะครับเดี๋ยวขอแยกก่อนเองจะจะเล่าถึงเรื่องความร่วมมือนิดนึงนะครับ ะจะได้ไม่เสียล่ะกคื อ, อโครงการนี้นะครับก็กแน่นอนนะส่วนหลังกัดผมคณะแพทย์หรือราคยับาลนะครับแล้วก็นอกจากวิเชเนของหรือว่ า, วาความมุ่งหวังที่เราจะทำที่นี่างา น, นที่เราทำเรื่องการเรียนการสอนศาสตแพทย์นะครับการบริการผู้ป่วยเราไม่มีเรื่องของวิจัยด้วยซึ่งตอนนี้ก็ขยายออกไปมากเพราะว่าโรคบางโรครักษามันรักษาไม่ได้ใช่ไหม วิธีาาการรักษาจริงก็งคือคงต้องไปหาความรู้ไปวิจัยซึ้นอันนี้เขาคิดว่าะจะถึงเดียวก็จะเป็นเป็นหนึ่งในสิ่งที่โรงพยาบาลศิรธรรมนะครับแล้วเราก็มีความร่วมมือกับคณะแพทศาสตร์มารหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับแล้วก็มีเอเพื่อนของเราที่คณะแพศาสต ร, มร์มหาวิทยาลัยคุมาโมโตะที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยก็มีส่วนร่วมในงานเนี้ น, น, นะฮะแล้วก็อก็มีผู้ผู้ที่สปอนเซอร์เราอย่างสกอว์แต่วัฒชนะฮะหรือศิริราชมนิธิที่ ที่พวกขั้นบริจาคเงินเข้ามานะครับก็ช่วยเรื่องนี้มากแล้วมีทุนจาายประเทศด้วยเหมือนกันเขาเรกทุนเอเอเซียซึ่งสร้างความร่วมมือระหว่างหลายประเทศแล้วก็พยายามสู้กับปัญหาที่เฉพาะในชาวอีเอเซียนะครับหรือเอเชียส่วนเก่าเช่นใต้เช่นมะเร็งขออ้ามเนี่ยนะครับเป็นตอนส่วนเรื่องของมะเร็งในคนไทยนะครับผมขออนุญาตแล้วเราใหงนิดนึ่งนะฮะว่าคือเราเรา นักวิจัยด้านมะเร็งของของที่ประเทศไทยนะครับมีคนหญิงเก่งเยอะนะครับเราแต่ว่าเนื่องจากว่าเราเราก็ค่อยๆทําประเทศเราก็กดน้อยนะฮะนักวิทยาศาสต ร, ร์น้อยแล้วก็อาจจะงบประมาณนักวิจัยน้อยแต่ว่ามันก็มีเรื่องน่าสนใจมากมายนะครับเช่นเรื่องของมรเร็งท้องดีที่คนไทยเป็นกันเยอะนะครับแล้วก็ฝรั่งเขาไม่ไม่สามารถที่จะเสนอวิธีรักษาอะไรให้เราได้เพราะว่าไม่ใช่ปัญหาของเขาใช่ไหมครับเป็นปัญหาของเราเนี่ยนะครับ แล้วก็มะเร็งหลายๆอย่างนะครับเราก็ตอนนี้เริ่มัดเจนเราก็ได้รายงานออกไปเเอ อ, เ อ, อจากที่สิริราชอย่างเนี้นะครับก็มีงยัยวิจัยไปแสดงให้เห็นว่ามะเร็งเต้านมที่ฝรั่งเขาเป็นคนจีนก็เป็นเเออคนผิวดําก็เป็นเนี่ยแต่ปรากฏว่ามะเร็งเต้านมของคนไทยเนี่ยก็ไม่เหมือนกับของฝรั่งแค่ทีเดียวนะครับ อ, อสง่งผลคืออะไรฮะก็แปลว่าในบางครั้งเนี่ยเราไม่สามารถใช้ยายที่ฝรั่งเขาใช้ได้ใช้ยาคาะใช่ ครับอันนี้มันเป็นความรู้ที่ที่พอเราทําเนี่ยเราถึงจะรู้นะครับแล้วเราเรลองคิดว่าเออให้อย่างนั้นเนี่ยยาบางอย่างที่มันใช้ไม่ได้กับคนไทยนะแล้วมันแพงๆเนี่ยจริงเราควรจะงดไปนะครับแล้วก็ยาบางอย่างเนี่ยถึงจะถูกหรือแพงก็ดีเนี่ยมันต้องใช้กับคนไทยเราก็ต้องไปลงทุนเราต้องไปผลิตเราไปซื้อมาในราคาถูกหรืออะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมฮะแต่ว่าทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยในยุคเนี้เราเริ่มรู้แล้วว่าการรักษามะเร็งแบบที่ เหมาเหมารวมไปแล้วเออเป็นอย่างนี้รักษายอย่างนี้ไปก่อนอย่างเงี้ยมันน่าจะไม่ได้ผลนะครับแล้วก็ค<ม><ม>วามรู้ที่เราต้องทําเองในประเทศไทยนะครับก็ผมคิดว่นาน่าจะเข้ากับทีมของรายการนะฮะเรื่องเรื่องของอินโนเวทีดเนี่ยนะครับคือ ม, มันมันก็จำเป็นต้องมีนะครับอินนอวชั่นมันคงต้องมีนะครับแล้วก็เรื<ม>่องของมะเร็งเองก็จะเป็นปัญหาที่เรียกว่ามากมายมหาสารในนะนะนะอนาคตอันใกล้อย่างเนี้ยนะครับนั่นะคือนะว่าเราก็ เราก็อยู่ดีๆดีมากขึ้นขนะเดียวกันก็มีเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่มีพิษเออย่างต่างๆที่จะทำให้เกิดมะเร็งด้มากขึ้นแล้วคนก็อายุมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยผมก็อยากจะฝากไว้ว่าอสําหรับประชาชนทั่วไปนะครับควรักษาสุขภาพให้ดีแล้วก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ควรจะคิดแล้วก็ทุ่มเทวิจัยเรื่องนี้เพื่อเตรียมตัวรองรับกับปัญหานี้ซึ่งแม่จะตามมาในไม่ช้าครับผม อืมค่ะอาจารย์ก็ได้สรุปแล้วอยากให้สรุปอีกครั้งหนึ่งสำหรับวัตถุประสงค์ของการพัฒนาในเรื่องของการพัฒนาคิดค้นยารักษามะเร็งรวมถึงความคาดหวังของอาจารย์แล้วก็ทีม ง, งานค่ะครับก็ความคาดหวังของพวกเราอ่ะนะคะัก็ ค, คือว่อวเาะะรเราต้องการให้คุณภาพชีวิตของคนไทยนะครับโดยเฉพาะคนที่ป่วยโรคมะเร็งดีขึ้นนะครับเช่นมีวิธีรักษาที่เขาจะได้ผลแม้จะน้อยลงแล้วก็ประโยชนมากขึ้น แล้วเราก็หวังว่า เ, าเราจะมีความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของมะเร็งคนไทยเช่นว่าพันธุ ก, กรรมของมะเร็งคนไทยเป็นยังไงหรือเหตุอะไรที่ทําให้คนไทยเป็นมะเร็งกันเยอะนะครับเพื่อ เ, อาเรเาจะได้เห็นภาพรวมว่าการป้องกันการวิจัยเยอย่างรวดเร็วและการรักษาได้ประหยัดมากขึ้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอาศัยความร่วมมือและการเห็นความสําคัญใงภาพรัฐที่จะช่วยสนับสนุนพวกเราด้วยครับผมค่ะ ทางทีมงานก็ต้องเป็นสมาชัยแห้่จาย์แล้วก็ทีมงานเราถือจะติดตามผลงานในเรื่องของการผลักดันในการพัฒนาค้นคิดค้นนะคะในการรักษามาไราในเทอาดีต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากที่มาให้ความรู้ในวันนี้ค่ะอาจารย์ครับครับก็คิดว่าเร็วๆนี้คงยัมีข่าวดีอยูฮะเดี๋ยวพยายามตั้งแมากั้งตาทำงานกัน ค่ะยังไงก็จะตามแล้วก็ขออนุญาตสัมภาษณ์อาจารย์เป็นช่วงๆนะคะเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสําคัญจริงเรื่องของวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะเราก็หวังว่าอ่าค่ะเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วก็หวังว่าวิเวทนาการที่ทันสมัยเนี่ยอย่างที่สุดจะเอาชนะได้นะคะอาจารย์เราต้องมีความหวังร่วมกันค่ะแน่นอนฮะมีแน่นอนครมันดีขึ้นทุกวันครับแต่ว่าเราอยากทาให้มันเร็วๆเท่านี้ครับผมค่ะ ขอบคุณมากค่ะอาจารย์สำหรับรายการ Innovation for Life ในวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วค่ะล้วก็คุยกันหนึ่งชั่วโมงเต็มสัปดาห์หน้าก็จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในเรื่องของผู้ดำเนินรายการนะคะแต่ Innovation for Life ก็ยังคงมีเรื่องราวเกี่ยวกับการพัฒนา ในด้านต่างๆของนักวิชาการในประเทศไทยมาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังได้ทราบในทุกๆสัปดาห์ต่อไปนะคะวันนี้ขอบคุณอีกครั้งสําหรับแอดรับเชิญในรายการค่ะรองศาสตราจารย์ดรศิวนนท์จิรวัชโนไทยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆตรงถึงขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามมาฟังเราทั้งสองคนด้วยวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะดิฉันพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ดรศิวนนท์จิรวัชนโอไทยก็ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีและขอบคุณค่า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 ระ้ว่างที่หั้นปีเล่วมีพบกับผู้ใดระว่างที่หั่นปีเลา ยิงองทีเงาในหัวใจระหว่างที่หันปีแล้วไม่พบกับผู้ใดระหว่างที่หันไปแล้วไม่รู้จกักใครระหว่างที่ฉันนั้นก็ไม่รู้และเาอนั้นก็ไม่รู้ถทำอย่างไรคือใจเรา t s l n listen, l i หากเธอมีหัวใจที่มันตรงกับฉันหากเธอมีหัวใจที่เป็นหนึ่งเดียวกันสองเพลงนี้คืนหมาคนยานฉันได้รู้ที่ เล้าที่ตื่นมาทำเพลงเดิมซ้ำไปมาเพลงที่แต่ง แ, แต่ไม่จบสักทีเธอมาช่วยเติมคำรอ้องลงไปในทุ่งทานองจนเกิดเพลงนี้ฟังเพลงรักมามากมายฟังใจความซึ่งเท่ไรไม่รู้สึกมันได้อยู่ใกล้เธอ ที่เหมือนไกลสุดไกลก็แค่เ อ, อืมมือไปได้รออยู่เสมอไม่พูดอะไรก็เข้าใจกันทุกคำไม่เคยต้องถามก็ตอบมาได้ทรงใจไม่ต้องรีบร้องก็ได้รักกับสิ่งที่ดีมากมายเข้าใจเมื่อได้รัก ฝ้าของฉันที่มืดมนพอมีเธอไม่มัวมนมันสว่างและทุกอย่างสวยงามเธอมาเป็นความสดใสเธอมาไล่ไม่ก เข้าใจกันทุกคำไม่เคยต้องถามก็ตอบมาได้ตรงใจไม่ต้องเรียกร้องก็ได้รั บ, บกับสิ่งที่ดีมากมายเข้าใจเมื่อได้รักเธอไม่พูดอะไรก็เข้าใจกันทุก i